แต่แล้วก็ถูกไล่งับร้องร่นวิ่งตุบตับหนีห่างออกไปอีกระยะที่ทุกคนยืนอยู่บนขอบเนินสันหินห่างจากซอกนั้นเพียงไม่เกิน30เมตรเท่านั้นกลิ่นเหม็นเน่ายิ่งรุนแรงจนดาดินต้องเอาผ้าเช็ดหน้าปิดจมูกเดินอ้อมไปทางชายระม้อนโน่นเถิดครับผมจะเดินลงไปดูเองเสร็จแล้วจะไปพบกันที่น่นแลพินบอกแล้วเดินตัดเนินตรงเข้าไปที่ซากนั้นโดยไม่สตกสานต่อกลิ่น เกิดได้ไงาสายชวนคณะนายจ้างเดินอ้อมห่างออกไปอีกทางหนึ่งทุกคนเห็นพลานใหญ่เดินดุมๆเข้าไปที่ซากและส่งเสียงไล่ตะเพิดหมาจึงจออฝูงนั้นพร้อมกับก้มลงหยิบก้อนดินไล่ปลาพวกมันพากันพรละหนีหายเข้าไปในกลุ่มโขดหินอย่างรีรีรอรอดูไม่มีทีท่าเกรงกลัวนักและวพินเข้าไปยืนตรวจพิจารณาซ่าอยู่อึดใจก็ออกเดินสกัดมาพบกับคณะพักช้างไม่ใช่เหรอครับ ตายมาสักอาทิตย์กว่าแล้วซากกำลังจะโสมสงสัยไอ้ลายนั่นแหละเป็นตัวการหาที่ร่มพักกินข้าวกัางวันกันเถอะให้ห่างที่นี่หน่อยก็ดีทนกลิ่นไม่ไหว้ช ย, ยันบอกแล้วพินนำเดินไปตามเนินขาวด้านเหนือรม่มเพื่อหลบให้พ้นกลิ่นของซากช้างตายตัวนั้นระหว่างผ่านช่องโขดทินที่ระเกะระกะไปด้วยซุ้มไม้เตี้ยเตี้ยเสือไฟตัวหนึ่งเพ่นตัดหน้าไปในระยะกระชั้นชิด และแว บ, บเดียวก็หายไปในพงรกก่อนที่ทุกคนจะเห็นตัวถนัดจนดาดินเข้าใจว่าเป็นเก้งตัดขึ้นเนินอีกรูปหนึ่งหมายต้นกระรางใหญ่เป็นที่พักทันใดนั้นรัพินก็หยุดชะงักลงอย่างกระทันหันทุกคนพลอยนิ่งอยู่กับที่และตัดเตรียมพร้อมในบัตรนั้นแต่แล้วความรู้สึกอันตื่นเต้นถึงภายก็หมดสิ้นไปกลายเป็นความยินดีเมื่อพรานใหญ่ผู้กาลังคุ้มตัวกาลังหินอยู่หันมาบอกว่า อาหารกลางวันมื้อนี้ของเรามีหวังไม่ต้องฝืดคอเพราะเนื้อแห้งแล้วครับอะไรละมั่งแต่ต้องอาศัยมือเที่ยงๆหน่อยระยะมันไกลหรือเกินแล้วก็ไม่มีที่กำบังทุกคนย่องคืบก็มาหมอบกำบังอยู่เคียงข้างเขาค่อยๆโผล่ขึ้นมองบนเนินเขาวเบื้องหน้าในระหว่างหมูโ่โขถินและพงไม้ที่เรียงรายอยู่เป็นหย่อมๆสัตว์ที่ย่อมกว้ า, วางแต่ใหญ่กว่าเก้งผู้มีเขาอันงามสองตัวปรากฏอยู่ที่นั่น ตัวหนึ่งนอนอีกตัวหนึ่งยืนแงนคอเบึงชูขาอย่างสง่ามันคือสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่คณะนายจ้างทั้งสเคยเข้าใจว่าสูญพันไปแล้วละมั่งระยะนั้นมันห่างออกไปไม่น้อยกว่าร้อหเมตรจนกระทั่งแตเห็นตัวมันเท่ากระจงเท่านั้นแต่เป็นการเห็นที่ถนัดยิ่งมันอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างสบายโดยไม่คิดระแวงภัยใดๆทั้งสิน้นเพราะมนุษย์อยู่ไกลเกินกว่าการสำเนีจอ ข, ของมัน ข้อหนักใจของทุกคนอยู่ที่ระยะต่างหันมองดูตากันเองอยู่ไปมาปัญหาสำคัญในขณะนี้มันขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของปืนไรเฟิลประจำมือของทุกคนร้วนเป็นขนาดใหญ่แทบทั้งสิน้นซึ่งโดยเป้าหมายอันเป็นสัตว์เล็กและอยู่ไกลถึงขนาดนี้เป็นเรื่องหน้าหนักใจขนาดที่จัดว่าเล็กที่สุดก็คือจุดมเจ็ากนัมที่เกิดได้แง่ายถือกันอยู่คนละกระบอกเท่านั้น ที่เกิดถือเป็นแบบโมเดล70 w ินเ h สเตอร์ของรพีนส่วนที่ประจำมือแงสายยามนี้คือ FN ของดารินตามปกติแล้วปืนกระบอกนี้ของหญิงสาวเคยติดศูนย์กล้องขยายสองเท่าครึ่งแต่เจ้าของเป็นคนถอดออกเสียเองเมื่อข่าวนั่งห้างยิงกระถิงส่วนจุด4 5 8แมกนัมที่รพินและเชษฐาถือกันอยู่คนละกระบอกก็ถูกถอดศูนย์กล้องออกเช่นกันในคราวเริ่มติดตามไอแวง อันเนื่องมาจากภูมิประเทศเป็นป่าทึบและโดยคาดหมายกันว่าการประจันหน้ากับเจ้าช้างร้ายน่าจะเกิดขึ้นในระยะกระชั้นชิดมากกว่าที่จะพบในทุ่งโล่งระยะห่างซึ่งในกรณีเช่นนี้ศูนย์กล้องไม่มีความจำเป็นรังแต่จะเกะ ก, กะเปล่าสำหรับปืนแฟดขนาดใหญ่ที่ประจำมือดารินกับชัยยันอยู่ขณะนี้เห็นจะไม่ต้องพูดถึงถ้ายิงถูกกระมังตัวนั้นได้ในระยะขนาดนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นปาลิหาร เป้านิ่งอันงดงามชวนใจนั้นยังคงอยู่กับที่ของมันอย่างไม่อนาทรขณะที่ฝ่ายมนุษย์กำลังรังเลมองกันไปมาเหมือนจะหาหรืออยู่ในทีเราต้องการนักแม่นปืนสักคนหนึ่งครับและพินเอ่ยขึ้นลอยๆอีกครั้งหวังว่าคงจะไม่ใช่ฉันนะเหนื่อยเหลือเกินวันนี้มือสั่นด้วยนักมนุษย์วิทยาคนสวยรีบชิงออกตัวหล่อนไม่แน่ใจว่าจะวางกระสุนได้ตรงเป้าหมาย และในกรณีที่ไม่แน่ใจเช่นนี้หล่อนไม่ยอมไม่เสียประวัติในการยิงหากมีทางเลือกซึ่งทุกคนยิ้มเพราะรู้ทันเสียท่าจริงๆได้จุด270หรือจุด300เอเอร์บติดมาด้วยซักกระบอกก็สวยหรืออย่างน้อยมีกล้องติดอยู่บนปืนกระบอกหนึ่งกระบอกใดของเราในขณะนี้ก็ยังดีเช่ยถาบ่นพร้อมกับจุปากเบาๆไม่จำเป็นต้องหวังผลเริศหรอกครับ แบบนี้มันต้องเสี่ยงกันแล้วผิดก็ช่างมันถูกก็โช์ของเราทำไมพลานใหญ่ไม่ยิงเสียเองดารินว่าผมต้องถามฝีมือในชั้นที่เหนือกว่าผมดูก่อนครับถ้าไม่มีใครสมัครจะยิงผมก็เห็นจะต้องเสี่ยงเองแต่ต้องบอกกล่าวร่วงหน้าด้วยว่าอาจชวดเปล่าเป้าสวยเหลือเกินเสียอย่างเดียวไกลไปหน่อยชายันว่า มัวจะเกี่ยงกันอยู่นั่นแหละไม่มีใครยิงมือปืนขยะจะยิงเองนะเอาเลยผิดก็ไม่มีใครว่าเธอดารินบอกปนหัวเราะเชื่อถาก็พยักหน้าสนับสนุนมาอีกคนหนึ่งชั ย, ยานวางจุด600ูนตโตรลงเอามือทั้งสองรูปกับขากันเก่งแล้วขอปืนจะเกิดมาแต่ละพินท้งวงเบาๆว่าผมว่า FN ของคุณหญิงที่แง่ายถืออยู่จะเหมาะกว่ากําลังครับสูงละเอียดหน่อย วินเชสเตอร์ศูนย์หลังรูปตัววีทางกว้างมากยิ่งไกลจะไม่เหมาะหรือยังไงก็สุดแล้วแต่ถนัดนะครับถ้างานแงซายส่งปืนของนายไหมฉันหน่อยเร็วเข้าประเดี๋ยวมันเพ่นเสียก่อนเราเสียเวลากันนานแล้วแงาสายส่ง FN มาให้ชายยันตั้งศูนย์หลังระยะ300หลาใช้แขนขมวดพันสายสะพายไวกระชับมั่นปีนขึ้นไปนั่งบนก้อนหินในท่าที่ถนัดที่สุดหลีตาเล็งตัวที่กาลังยืนชุกคออยู่ โอ้โหศูนย์แทบจะบางเป้ามิดเลยเสียงเขาบ่นออกมาเร่งดีๆนะชยันดาลินขานเข้ามาทางเบื้องหลังกรซิบปืนขนาดนี้อันที่จริงระยะแม่นยำของมันเหนือกว่าที่คนยิงเองจะสามารถจะยิงได้เสียอีกอย่าว่าแต่แค่นี้เลย600หลาอย่างเที่ยงกะเผื่อสักเท่าไหรด่ดีหมายระดับไรก็แล้วกันครับอย่าให้สูงเกินกว่านั้นแล้วพินบอก อึใจเดียวก็ 0.375 ก็ระเบิดกล้องไปทั้งเนินเขาฝูงนกตามยอดไม้ต่างๆบินแต่คือชายันกระโดดลุกขึ้นยืนสะบัดรั้นออกมาอย่างหัวเสียทุกคนเห็นระมั่งทั้งสองตัวเพ่นแผลวแยกไปคนละทางแล้วรับเหลี่ยมโขดหินหายไปในพริบตาช่วยไม่ได้อย่าหัวเสียไปเลยชายันดาลินตกหลังพูดปลอบใจเพื่อนชายมื้อนี้ร้อนร่อเนื้อเก้งแห้งกันอีกตามเคย เชษฐาถอนใจเฮือกแต่รพินมีสีหน้าครุ่นคิดก้าวออกเดินจากที่ซุ่มบ่ายหน้าตรงไปยังตำแหน่งที่ระม่างสองตัวนั้นยืนอยู่เมื่อครู่นี้โดยเร็วขณะนายจ้างตามกระชั้นชิดมาด้วยความสงสัยจะตามมาหรือผู้กองไม่มีหวังหรอกชา ย, ยันถามมถามมาหอบๆขณะที่เร่งฝีเท้าขึ้นมาเคียงข้างสงสัยว่าคุณช ย, ยันจะยิงถูกครับฮอดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องลั่นออกมาลืมตาโพง ถูกกระผีอะไรเรามันเพ่นไปราวกับเหาะออยางงั้นพานใหญ่ยังไม่ทันตอบคำใดทั้งสิน้นเรื่องฝีเท้าขึ้นอีกทุกคนตามเขามากระชั้นชิดอย่างงุนงงไม่รู้เรื่องพอถึงตำแหน่งเนินเขาอันระเกะระกะไปด้วยซุ้มไม้เล็กๆและโขดหินเตียเต้ยๆนั้นต่างก็ต้องร้องอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นยินดีและคนปหลาดใจอีกครั้งมีเลือดกองหนึ่งหยดอยู่กับพื้นและเรียเป็นทางห่างๆลงไปทางทุ่งแฝกตีนเขา สารใหญ่เข้าไปพิจารณาดูเลือดกองนั้นอย่างถี่ถ้วนคณะไหนจ้างกลูเข้ามามุงชายันเองงงไปหมดแทบไม่เชื่อสายตาร้องออกมาถูกจริงๆด้วยว้าวไม่น่าเชื่อเลยฉันสงสัยว่าจะทะลุ ป, ปอดนะเลือดเป็นฟองหรือคุณว่ายังไงดาลินพูดขึ้นโดยเร็วภายหลังจากสำรวจดูรอยเลือดเหล่านั้นระพินยิ้มอย่างสมหวังควัก บ, บุหรี่ไปตองแห้งออกมามวล ครับจะเย็นได้แล้วแบบนี้เพ่นไปได้ไม่ไกลหรอกแล้วเขาก็หันไปร้องสั่งเกิดอีกสองสำคำพรานพื้นเมืองออกติดตามรอยเลือดไปอย่างรวดเร็วแล้วผินชวนคณะนายจ้างของเขาไปภาคใต้ร่มใบไม้ใกล้ๆตอนหนึ่งแง่าสายก็จัดการก่อไฟหุงหาได้เตรียมย่างเนื้อขึ้นในทันทีนั้นโดยไม่ต้องเตือนชายยันยังมีสีหน้าพิสวงอยู่เช่นนั้นจ้องหน้าจอมพรานผมไม่นึกเลยว่านะว่ามันจะถูกหลังจากปืนลั่นออกไป คุณรู้ได้ยังไงน่ะสังเกตดูอาการของมันครับผมเห็นมันสะดุ้งเตะขาหลังก่อนที่จะออกวิ่งไปอาการเช่นนั้นมันจะปรากฏขึ้นกับสัตว์ที่ถูกปืนแถบริเวณอกความจริงมันควรจะล้มอยู่กับที่แล้วแต่ลูกปืนผ่านเร็วเกินไปและไม่ถูกกระดูกมันเลยวิ่งไปได้มองผัดผาดเหมือนไม่ถูกเลยแล้วคุณให้เกิดตามไปน่ะไม่ต้องเสียเวลากันแย่หรือป่านี้ไปริบแล้ว คงไม่ไกลกัมังดาลินบอกแทนมาโดยความรู้ทางแพทย์ของหลอนถ้ากระสุนทะลุ ป, ปอดจริงประเดี๋ยวเดียวก็เสร็จยิ่งออกแรงมากยิ่งตายเร็วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องถามพรานใหญ่ก็ดูเขาขมักจะเถียงกับฉันเสมอว่าสรีรวิทยาในระหว่างสัตว์กับคนมันไม่เหมือนกันก่อนที่ระพินจะพูดเช่นไรนั่นเองคาตอบก็ปรากฏขึ้น เกิดเดินยิ้มร่าเข้ามาตะกนเรียกแงซายโบกเวกให้ช่วยไปหามระมังภายหลังจากการสอบถามด้วยความว่าพบมันล้มอยู่ในพงแฝกริมเนินเขาห่างจากสถานที่ถูกยิงครั้งแรกไม่ถึงร้อยเมตรไม่จำเป็นต้องซ้ำเพราะขณะที่เกิดพบมันกำลังชักพรานใหญ่พูดไว้ไม่ผิดเลยภายหลังจากระมังตัวนั้นถูกหา ม, มาก็พบว่าแนวกระสุนของชัยยานจับเข้าซอกขาหน้าทะลุ ป, ปอดพอดี เจ้าตัวคนยิงเองพอมองเห็นข้าวก็เป่ารมปาจากพูออกจากปากสวรรค์ฟุกอะไรอย่างนี้หนอนี่ถ้ามาคนเดียวก็อดเป็นแล้วร้อยเปอร์เซ็นเต็มนึกว่าผิดมันไม่แสดงท่าอะไรเห็นว่าถูกตืนเลยวิ่งออกตัวปลิวต้องอาศัยตาพรานถึงได้ตัวประเดี๋ยวจะให้เหรียญดาลินสับยอกพวกเรานึกว่าผิดกันหมดแล้ว หัวหน้าคณะเดินทางเอ่ยขึ้นเรียบเรียบมองดูพรานนำทางตาเป็นประกายตอนที่คุณบอกว่าถูกผมก็ยังไม่เชื่อเลยจนกระทั่งไปเห็นเลือดเข้าแปลกจังเลยนะไม่น่าจะเป็นไปได้สายตาธรรมดามองไม่เห็นสักนิดว่าอาการของมันจะแสดงว่าโดนยิงการยิงสัตว์ในระยะไกลต้องอาศัยหลักสังเกตให้ดีครับไม่งั้นจะกลายเป็นล่าเนื้อให้เสือกินเฉยเฉยโดยเราเข้าใจไปผิดว่าและไม่สนใจจะไปตรวจตรงตำแหน่งที่ยิง ตามปกติแล้วถ้าลูกปืนไม่ถูกประสาทสำคัญหรือกระดูกส่วนใหญ่สัตว์ที่ถูกยิงแทบจะไม่มีอาการแสดงออกให้เราเห็นเลยว่าถูกปืนและในขณะเดียวกันบางทีไม่ถูกส่วนสาคัญเลยแต่บังเอิญกระสุนไปกระทบในตำแหน่งที่ทำให้มันช็อกชั่วขณะสัตว์ก็จะล้มลงหลอกให้เราดีใจได้เหมือนกันแต่แล้วพริบตาเดียวมันก็ลุกขึ้นเพ่นหนีไปได้อย่างสบายความจริงสัตว์ขนาดมั่ง โดนลูกปืนจุด3าเข้าที่ปอดมันน่าจะช็อกล้มลงในทันทีหรืออย่างเก่งก็กระโดดไปได้สักสองสาก้าดารินตั้งข้อสังเกตมันก็ไม่แน่หรอกครับอยู่ที่ระยะยิงด้วยถ้าใกล้ส่วนมากจะล้มในทันทีเพราะแรงประทะผมเคยเห็นฝรั่งใช้ปืนขนาดนี้ยิงกวางความจริงไม่ถูกเลยกระสุนเพียงจะถากหนังใต้ท้องไปเท่านั้นแต่ระยะยิงห่างเพียง20บ กวางตัวนั้นถล่มลงมานอนฟุบอยู่กับพื้นสักสองวินาทีเห็นจะได้พอมันรู้สึกตัวก็เพ่นออวิ่งหนีไปนั่นหมายถึงว่ากำลังคลื่นอากาศของกระสุนแทๆ้ๆที่ทำให้กวางช็อกล้มลงชั่วขณะแต่เมื่อไม่ถูกที่สำคัญมันก็ไม่อยู่ทีนี้กระสุนที่วิ่งออกไปแล้วในระยะไกลเหลืออยู่แต่อำนาจเจาะทะลวงเท่านั้นพอถูกส่วนไม่สาคัญนับ ก, ก็ทะลุผ่านไปโดยเร็วสัตว์ยังไม่ทันจะรู้สึกจึงวิ่งไปได้ เมื่อกี้นี้ว่ายังไงนะหม่อมราชวงศ์คนสวยอดขัดคอไม่ได้ฝรั่งเสงยงเคร่งที่ไหนยิงกวางระยะ20บหลาด้วยปืนจุด3 7ห้าถูกเพียงแค่หนังท้องกวางพรานใหญ่หัวเราะนักธรณีวิทยาครับมาจ้างผมนำทางไปสำรวจทางป่า ก, กระเลียงฝากน้น้ขนขณะนั้นเราอยู่บนหลังช้างกวางตื่นอะไรมาไม่ทราบวิ่งตัดหน้าปากด่าน พวยพลาดออกมาในระยะกระชั้นชิดกระทันหันแกก็เลยวาดปืนเหนีย่ยวไกออกไปอย่างรีบร้อนแข่งกับเวลาช่วยไม่ได้จริงๆที่แกยิงผิดเพราะมันฉุกกระหุกมากในขณะนั้นที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนี่ก็เพียงเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังว่าลูกปืนต่อให้โดนที่ไม่สําคัญแต่ถ้าแรงประทาสูงมันก็ทําให้สัตว์ล้มลงได้ในขณะเดียวกันลูกปืนอนุภาพดีๆที่เราคิดว่าเมื่อถูกสัตว์มันควรจะคว่าทันทีนั้น ถ้าระยะมันไกลออกไปผลมันก็ไปอีกอย่างเหมือนกันเรื่องนี้ต้องอาศัยความํำนานพบเห็นกับตัวเองบ่อยๆถึงจะคำนวณได้ถูกในระหว่างปืนที่เราถือกับสัตว์ที่หมายยิงอย่างดับเบิลไรเฟิลที่คุณหญิงกับชา ย, ยันใช้อยู่ในขณะ น, นี้คุณหญิงก็ทราบดีแล้วไม่ใช่หรือครับว่ามันสามารถจะหยุดสัตว์ที่วิ่งชาร์จเข้าใส่เราในระยะจวนเจียนได้อย่างศักดิ์สิทธิ์และปลอดภัยเหนือกว่าไรเฟิลเดี่ยวทุกชนิดแต่ตรงข้าม ถ้าจะหมายยิงสัตว์ในระยะไกลๆเพื่อหาอาหารกันแล้วก็แทบจะไม่ได้ผลเอาเลยผมว่าคุณได้เปรียบพารนพื้นเมืองที่จัดว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ตรงนี้เองชัยันว่ามองดูพรานนำทางอย่างอบอุ่นวางใจคุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในป่าเท่ากับพวกพาร์นพื้นเมืองแต่คุณมีสมองความรู้และวิชาของคนที่เจริญแล้วเข้ามาผนวกซึ่งพรานพวกนั้นไม่มี อาหารกลางวันมืน้นี้จึงมีรสชาติพิเศษไปกว่าทุกมื้อที่ผ่านมาแล้วซ้ำอย่างเป็นสเสบียงสำหรับตุนต่อไปในมื้อข้างหน้าแทนเนื้อแห้งที่ขอแบ่งมาจากเกะเลียงห้วยแม่เรงซึ่งร้อยหรอจวนจะหมดอยู่แล้วก่อนตั้งต้นบุกใหญ่อีกครั้งซึ่งเวลาล่วงเลยไปถึงบ่ายสองโมงพอม่อหมดเสียเวลาย่างรมควันเนื้อระมังอยู่แล้วพนก็ส่งขวดน้ามันเล็กๆชนิดหนึ่งซึ่งติดอยู่ในย่ามเครื่องหลังของเขาให้นายจ้างสาว อีกภายในไม่เกินสองชั่วโมงนี้เราจาเป็นต้องผ่านบริเวณชื้นแฉะแล้วครับเพื่อความอุ่นใจคุณหญิงจัดการเอาน้ำมันที่นี่ทาตัวซะก่อนดารินลืมตาโตเอ๊ะอะไรการเพื่อความอุ่นใจเพียงแค่อุ่นใจเท่านั้นหรอกเหรอมันต้องปลอดภัยแน่นอนสิอย่าทำร้อยเล่นเป็นนะฉันไม่ยอมจริงๆด้วยก็เหมือนกันนั่นแหละครับมันปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจได้ผมรับรองว่าจะไม่มีทาปริงหรือเห็บ ตัวไหนบางอาจเกาะคุณหญิงเป็นอันขาดแม้ว่ามันจะพยายามหล่อนบ่นอะไรพรมอยู่ในลำคอจ้องหน้าเขาเหมือนจะไม่เชื่อใจนักพลานใหญ่ยืนยันมาอีกครั้งจึงถือขวดน้ำมันเดินอ้อมไปหลังขวดหินก้อนหนึ่งจัดการเปรืองเสื้อผ้าออกจนหมดสิน้นเอาน้ำมันชโหมผิวตลอดทั้งตัวโดยไม่ยอมให้ส่วนไหนว่างครูใหญ่จึงเดินหน้ามุ่ยกลับออกมาส่งขวดน้ามันคืนให้เขามันหมดไปเกือบครึ่งขวด ชายยันเห็นหน้าก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมางอหายยังไงน้อยเล่นอาบกันเลยทั้งตัวเลยนะถ้าอาบได้ก็อย่างอาบเหมนกันแหละดาลินพูดสบาดๆเครื่องยิ้มเครื่องบึง้งแล้วหันไปทางเจ้าของน้ํามันน้ํามันอะไรของคุณนี่กลิ่นเอียนเอียนเครื่ไส้ยังไงพี่โกมีหนำซ้ํำยังแสบแสบร้อนรอนด้วยก็น้ํามันกันในพวกสัตว์ประเภทนี้โดยเฉพาะนั่นแหละครับคุณหญิงไม่ควรทาแถวเนื้ออ่อนๆเลย แค่แขนขาก็พอแล้วชิ้กลัวนี่เอาปลอดภัยไว้ก่อนละว่าแต่มันจะเป็นอันตรายกับผิวหนังหรือเปล่าเท่าที่ผมเคยใช้มามันก็ไม่เป็นอันตรายอะไรนีครับแสบร้อนนิดหน่อยประเดี๋ยวก็หายไปเองแต่ผมไม่เคยทาบริเวณเนื้ออ่อนอย่างมากก็แค่แขนขาเท่านั้นเพราะถ้ามันเกาะแขนขาเราไม่ได้มันก็คือไปไม่ถึงส่วนอื่นหญิงสาวทาตัวสั่นสีวหน้าเยครางออกมา ตายเลยแสบใหญ่แล้วอีน้ำมันบ้าอะไรก็ไม่รู้ปะเดี๋ยวเหอะปะเดี๋ยวได้วิ่งลงแช่น้ํากันบ้างเท่านั้นก็มีอย่างหรือทาเขาไปได้ทั้งตัวพี่ชายว่าชา ย, ยานก้านหัวร้อจะหน้าแดงและทําขึงขังบอกมาว่าเสร็จน้อยเอ้ยเสร็จกันแค่นี้เองมันจะลวกเธอไม่เกรียมเสียโฉมไปหมดทั้งตัวเลยทาลงไปตรงไหนมันก็ไหมตรงนั้นแหละบ้า หลอนร้องรัานออกมาแล้วหันความไปทําตาหน้ากลัวกับเจ้าของยาพูดดุๆว่าคอยดูนะหลอให้ฉันทายาอะไรผิวไหมไปแล้วก็ฉันจะฆ่าคุณจริงๆด้วยไม่ไหมหรอกครับอย่างมากก็หนังทะลอกเท่านั้นพลานใหญ่บอกเรียบๆหน้าตาเฉยดารินเต้นร้องกรีดโอ้ยถ้ายิ่งหนังทลอะแล้วก็ฆ่าดับเบิลฆ่าเลยจะตามฆ่าไปทุกชาติทุกคนหัวรอกคลืนแล้วพินลุกขึ้นยืน สั่งให้แง่ทรายกับเกิดเก็บของและหันมาทางในจ้างสาวสวยเพื่อยืนทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อยู่พูดน้ำเสียงจริงจังขึ้นโปรดอย่าวิตกไปเลยครับคุณหญิงรับรองว่าไม่เป็นอะไรหรอกผมล้อเล่นนะตัดลงเนินเตี้ยเตี้ยลูกนั้นผ่านทุ่งแฝกและหญ้าคาที่สูงท่วมหัวซึ่งมีใบอันสาบคายคมกริบราวมีดโกนท่ามกลางแสงแดดแผดกล้ามองเห็นเปนระดิบยับปะหนึ่งมองผ่านเตาไฟมหายักษ ทั้งหมดเร่งฝีเท้าโดยไม่ปิดปากพูดคำใดกันอีกทั้งสิน้นพอผ่านพ้นทุ่งก็เหยียบก็สู่ชายดงทึบมองเห็นทรรมืนมืดราวกับอุโมงค์ที่สุดอย่างอากาศอ้าวระอุแต่อับชื้นเต็มไปด้วยกลิ่นไออันชวนตะขั่นตะคอผิดไปชนิดหน้ามือเป็นหลังมือกับบรรยากาศหนาวเยือกชื้นชามบนยอดเขาที่ผ่านมาในตอนเช้า ว, วันนี้เทาวันแต่ละต้นใหญ่โตขนาดกำขาและพื้นเบื้องล่างปกคลุมไปด้วยใบยไม้ที่รดนมาทับถมกันเปื่อยเน่า เวลาเหยียบจมลึกลงไปถึงเขา่าปรากฏเสียงสวบสาบหยุดทุกครั้งที่เหยียบลงไปทั้งหมดเดินไปด้วยความระมัดระวังและคอยสังเกตตามพ่านใหญ่ทุกฝีก้าวย่างโดยไม่ก้าวแยกห่างไปทางอื่นพื้นบางแห่งดูเหมือนจะไม่มีโอกาสสัมผัสกับแสงอาทิตย์เลยชั่วกับชั่วกันเพราะยอดไม้หนาทึบที่ขึ้นปกคลุมหลังคาอยู่หลายซับหลายซ้อนมีแต่พวกสัตดหรื้อคารูปร่างลักษณะแปลกๆเท่านั้นที่พบเห็นตามระยะทางผ่านไป กิ้งก่าโดงตัวขนาดรำแขนยาวสอกเศษสีสันวิจิตรพิสดารราวกับไข่มาแกล้งระบายไว้และตัวเต็มไปด้วยน้ำน่ากลัวเกาะอยู่ตามเปลือกไม้มองดูมนุษย์เฉียดผ่านไปในระยะใกล้โดยไม่สแสดงอาการตื่นกลัวใดๆทั้งสิ้นบางขณะทุกคนก็ต้องชะ ง, งักลงอย่างกระทันหันพร้อมกับขยับปืนเตรียมพร้อมเมื่อเหี้ยตัวขนาดน้องๆจระเข่วิ่งปราดตัดหน้าไปอย่างรวดเร็วเพราะความตื่นตกใจ เสียงที่มันวิ่งไปบนใบไม้ดังราวกับพายุทําเอาประสาทเสียในยามที่ไม่รู้ตัวมาก่อนบุ้งและหนอนคลานบางชนิดตัวยาวตั้งคืบคลานกราดเกลื่อนอยู่ตามพื้นทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการก้าวเท้าทุกฝีย่างก้าวดาดินเต็มไปด้วยความอึดอัดใจและทอมมายิ่งกว่าทุกคนจะเก่งกล้าสามาร ถ, ถทัดเทียม อ, อกสาศอกสปานใดก็ตามธาแท้ของหล่อนก็คือผู้หญิง และผู้หญิงก็มีจุดอ่อนตรงที่เกลียดสัตว์เรืร้อคานชวนขยักขย ง, ขยงทุกชนิดยิ่งรึกความชื้นแฉก็ยิ่งทวีมากขึ้นหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มที่เหยียบย่ำกันไปบนไม้เน่าๆและขอนไม้ผุซึ่งมีเห็ดขึ้นกราดเกลื่อนบางดอกโตขนาดกระด้งฝัดข้าวอากาศค้นหนักขึ้นทุกขณะจนคนไม่เคยชินแทบจะหายใจไม่ออกพวกร้นและยุงเริ่มบินมาตอมเป็นกลุ่ม พลานใหญ่เกิดและแง่ทรายคงเดินรุดหน้าไปด้วยอาการปกติเหมือนคนกรุงที่เดินไปตามถนนคอนกรีตแต่สถานการณ์ลำบากเริ่มเป็นของฝ่ายนายจ้างทั้งสามเชษฐาชัยยันถึงอย่างไรก็พอทนดารินคนเดียวอยู่ในอาการหนักกว่าเพื่อนหลอนส่งเสียงอุทานอยู่บ่อยครั้งและบางขณะก็กระโดดโยงเยงตัวสัน่นหลอนไม่มีกะจิตกระใจที่จะถือไรเฟิลประจาตัวอีกแล้วแต่ส่งไปให้แง่ทรายช่วยสะพายตนเองเดินตัวเปล่า คอยระวังตัวแจจากฝูงมารงรบกวนและพวกบุ่งหนอนตามพื้นที่เห็นอยู่แทบทุกตารางนิ้วอย่าไปสนใจกับมันเลยหน้าชัยยันกระซิบปอบเธอทาน้้ำมันเป็นเกาะป้องกันตัวอยู่แล้วมันทำอะไรเธอไม่ได้หรอกก็ฉันกลัวนี่หายใจแทบจะไม่ออกอยู่แล้วเมื่อไหร่เราจะถึงจะพ้นนรกนี้สิทธีนะหญิงสาวอุทธรเสียงเครือยกมือขึ้นโบกปัดยุงที่ตามวนตอมอยู่ที่ใบหน้าของหลอน อดทนหน่อยครับเราจะตัดผ่านตอนนี้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นอีกครึ่งชั่วโมงก็ออกพ้นข้ อ, อยิงชั่วขึ้นแล้วพินบอกมาเบาๆก้าวรุดต่อไปโดยไม่หยุดยัง้งลงแบบนี้คืนนี้เราจะพักนอนกันได้ยังไงนี่เราจะหาที่พักที่ดีที่สุดครับไม่ใช่บริเวณอย่างที่ผ่านมาเวลาผ่านไปพื้นดินราบรุ่มลงทุกขณะจนกระทั่งเหยียบลงไปกระทบกับน้ําซึ่งอยู่ใต้ใบไม้เน่าที่ปกคลุมอยู่ และในที่สุดก็กลายเป็นบริเวณที่ขังน้ําเหมือนปลักกลิ่นหมักหมมของใบไม้ที่ร่นลงมาสมทับโถมกันชั่วนาตาปีผสมกับกลิ่นโครนรอยคลุ้งขึ้นมาขณะที่เท้าของมนุษย์เหยียบย่าผ่านไปรอบด้านเป็นโครงของกิ่งเถาวันราวกับใครมาประดิษฐ์ถักไว้แสงตะวันยามบ่ายซึ่งมองไม่เห็นมาเป็นเวลาร่วมสองชั่วโมงเต็มเริ่มจะส่องผ่านท้งคาใ บ, บาไม้เบื้องบนลงมาเป็นจุดพราวทั่วไปพอช่วยให้สังเกตเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นบ้าง หลักหรือหล่มโคลนตอนนี้หนทางเฉื่อแฉกก็จริงแต่ก็ไม่ถึงกับทึบนับตามกิ่งไม้เหนือศีรษะขึ้นไปแลดูดำมืดเป็นกระจุกไปหมดกลิ่นสาบสางอย่างยุนแรงตลบฟุ้งจนแทบหายใจไม่ออกนั่นคือฝูงค้างขาวแม่ไก่เหลือที่จะขนานนับอาศัยเกาะยอดไม้บริเวณนั้นเป็นรังนอนของมันส่งเสียงร้องแซดบางตัวตื่นตกใจการแผ่วผ่านเข้ามาของมนุษย์เบื้องล่างพักออกบิน พ, พืบภับ ย้ายจากกิ่งโน้นไปเกาะกิก่งนี้ดูสับสนเกลียวกล่าวไปหมดในหมู่พวกมันเบื้องล่างฝูงทากซึ่งตามปกติแทบจะสังเกตไม่เห็นเพราะเกาะเอ็นราบอยู่กับกิ่งใบไม้แต่พอได้กลิ่นไอของมนุษย์ที่เดินผ่านก็ตื่นตัวชู ร, ร่อนราขึ้นมารอคอยจังหวะที่จะเกาะสูบเลือดหันไปทางไหนก็มองเห็นพราวไปหมดนับหมือนับพันอย่าหยุดอยู่กับที่เดินให้เร็วที่สุดประเดี๋ยวถึงโอข้างหน้ากยปลดมันออก พรานใหญ่หันมาร้องเตือนแล้วออกเดินเลี่ยวลุดไปอย่างรวดเร็วทุกคนเร่งฝีเท้าเต็มที่โดยไม่หยุดดาดินถึงกับออกวิ่งน้ำแตกกระจายตามหลังและพินไปติดติดแล้วล้าหน้าพรานใหญ่กระโจนขึ้นไปบนตลิ่งโคกที่มองเห็นเป็นเกาะอยู่เบื้องหน้าก้มลงตรวจรอบตัวเองแล้วหักกิ่งไม้เขี่ยเจ้าสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ด้วยการสูบเลือดออกจากขากางเกงง่วนด้วยความขยันขยง้งระหว่างที่หล่อนซุดตัวลงนั่งถอดบูทออกเพื่อตรวจให้แน่ใจอีกครั้ง คณะพักทุกคนก็ก้าวเข้ามาถึงต่างสำรวจและปลดท่าออกซึ่งเกาะติดมาคนละไม่ต่ำกว่าสิบตัวขึ้นไปทุกคนเฉยเฉยไม่อนาทรร้อนใจอะไรนักดึงมันออกโยนทิ้งง่ายๆมีแต่ดารินคนเดียวเท่านั้นที่เดือดร้อนกว่าเพื่อนหรอนทั้งเกลียดทั้งกลัวคนลุกของพองไปหมดในบูธของหล่อนมันก็ล่วงล้าเข้าไปได้เหมือนกันสองสาตัวแต่ไม่บังอาจที่จะเกาะเนื้อได้เพราะอำนาจยาที่ชะรมไว หญิงสาวหน้ามุยเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายหล่อนพยายามรูปตามตัวจากนอกร่มผ้าเพื่อจะตรวจดูให้แน่ชัดว่ามีท่าตัวใดเร็ดอรอดเข้าไปในข้างในบ้างหรือไม่แล้วก็ชากชายเสื้อออกพ้นขอบกางเกงเอื้อมือรูปควานไปตามสีข้างและแผ่นหลังบนอุบอิบอยู่เช่นนั้นมิหนำซ้ำยังร้องเรียกพี่ชายได้ชายยานให้ตรวจช่วยตรวจดูตามตัวของหล่อนอีกและพินซ่อนยิ้มขันๆเอาไว้ นี่คือสัญลักษ์ปราชัยโดยปริยายเป็นครั้งแรกของหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยเกี่ยวกับเรื่องในป่าพระเจ้าไม่พิเรนจนเกินไปนักอย่างน้อยที่สุดก็ยังประทานความเป็นผู้หญิงมาให้แกร่รอนบ้างเหมือนกันแม้ว่าจะประทานความแกร่งกล้าทรหดและเก่งกาจเทียมผู้ชายไปหมดทุกอย่างจนดูผิดวิสัยของธรรมชาติไปพักแกะท่ากันเพียงครู่เดียว ทั้งหมดก็ออกเดินทางต่อโดยอาศัยตา ย, ตาย ล, าลาดไปตามเนินโคกซึ่งมีลักษณะเป็นสันหรือเกาะ อ, อยู่กลางปักที่รุ่มนั้นเต็มไปด้วยรอยย่ามสับสนของหมูหมาป่าทั้งเก่าและใหม่และรอยที่มันดุนดุ น, ดนขุดคุย้ยไว้กาดเกลื่อนและพินนํารอดซุ้มไม้ได้เถาวันที่ขึ้นปกคลุมอยู่ค่อนข้างทึบนั้นเป็นลําดับการเดินต้องก้มๆเงยๆอยู่ตลอดเวลาบางขณะก็โหนเหนียวกิ่งไม้ค่อยๆไปโยงตัวเลาะริมตริงไป อึดใจนั่นเองพานใหญ่ก็หยุดชะงักพิจารณาอยู่ที่ตลิ่งตอนหนึ่งลักษณะเป็นแอ่งเว้าลึกเข้ามาเบื้องบนเป็นจอมปลูกที่ปกคลุมด้วยต้นคอยจนมองดูเหมือนถ้ำเล็กๆพื้นดินตอนนั้นราบเรียบเหมือนมีการขัดถูไว้เป็นอย่างดีเป็นซอกกว้างประมาณสาเมตรและยาวราดลงไปสู่ลมปักกว้างใหญ่ที่มีน้ําสีดําสนิทแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองดูเชฐืฐาผู้ยืนอยู่เคียงข้างเขา เหมือนใครเสือเกลือบทเข้ามาเก็บไว้ที่นี่เป็นประจำหัวหน้าคณะเดินทางเอ่ยขึ้นเสียงต่ำๆพรานใหญ่ดึงไฟชายออกมาจากย่ามสะพายหลังส่องกลาดลงไปในบริเวณนั้นเพื่อเห็นถนัดขึ้นชายยานผิวปากวือออกมาเมื่อมองเห็นรอยตีนของสัตว์อะไรชนิดหนึ่งปรากฏชัดอย่างพื้นอันเปียกแฉะตรงนั้นลักษณะเหมือนรอยตีนตะกวดแต่ใหญ่กว่าหลายเท่าเห็นชัดแม้กระทั่งรอยอันนอนอยู่เป็นประจำ จ, ำจนเป็นเทือก ราวกับใครเอาแผ่นไม้กระดานกว้างๆมาทาบทับไว้ไอชาละวันกุมมาพีโอโหนี่เห็นจากขนาดเรือจ้างทีเดียวแหละอดีตนายทหารปืนใหญ่คลางออกมาอะไรจระเข่เหรอดาลินถามโดยเร็วอย่างตื่นเต้นพรานใหญ่ไม่ตอบยกแขนเสื้อปาดเหงือกววาดสายตาไปยังประดานอันกว้างใหญ่รอบด้านซึ่งมองเห็นด้วยสายตา่าดๆเหมือนจะเป็นแผ่นดินที่น่าจะเหยียบเดินไปได้ บางแห่งเขียวไปด้วยตะไคร่บางแห่งก็เป็นบริเวณที่ใบไม้หล่นมาทับโถมดูว่าแห้งสนิทและบางแห่งก็มองเห็นน้ําดําเป็นเงาตะกุ่มคุมเครืออยู่ทั่วไปนานๆครั้งจะได้ยินเสียงฟองน้ําดันผิวน้ําขึ้นมาระเบิดเบื้องบนท่ามกลางความเงียบสงัดวังเวงนกกินปลาร้องแหลมอยู่ไกลนอกนั้นก็เป็นเสียงมแมลงวีที่ตามตอมอยู่เป็นกลุ่มเพราะรอบด้านเต็มไปด้วยมืเดือออกลูดดกตรงนี้เป็นที่นอนของมัน ในที่สุดเขาก็บอกมาเบาๆมุดรอดกิ่งเถาวันเลาะริมตลิงสำรวจไปอีกสองสามกทุกคนกับชันตามมาก็พบบริเวณอีกร้ายแห่งบนสันเกาะแห่งนี้มีรอยขึ้นพักนอนของเจ้าชาววันเกลื่อนไปหมดนี่โดงของมันทีเดียวแหละเชิถาอุทานออกมาเบาๆจ้องหน้าพรานใหญ่เอ๊ะมองดูเผินๆไม่น่าจะเป็นไปได้เลยบริเวณนี้น้ามีน้าหรือเกลมันเป็นที่ประหลาดครับ หรืออย่างที่เรียกกันว่าพุมองด้วยสายตาเปล่าก็เหมือนกับที่รุ่มธรรมดาแต่ความจริงมันเต็มไปด้วยหลุมบ่อบางแห่งก็ลึกจนลำไม้ไผ่ยาวๆอย่างไม่ถึงก้นบางแห่งก็มีน้ําเพียงแค่เข่าหรือข้อเท้าถ้าไม่รู้ทางเผลอหรือเผลอเดินก็ถลําตกลงไปในปลาคลักลึกเอาง่ายๆเวลาหน้าน้ําบริเวณนี้เป็นบึงไปหมดหน้าแล้งก็มีลักษณะเป็นผู้อย่างนี้ซึ่งมีบางแห่งพอจะต้องอาศัยเดินไปได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อย มันเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่จะสำรวจได้ทั่วถึงจระเฆชุมจากคำพูดของเขาคณะนายจ้างก็สามารถเข้าใจภูมิประเทศได้ในทันทีนั้นทุกคนเพิ่งจะมาตระหนักเอาบัดนี้เองว่าพรานใหญ่นำเข้ามาสู่ใจกลางบึงมหาการโดยไม่ได้บอกให้รู้ล่วงหน้าเลยสักนิดการเดินตามหลังมาก็แทบจะไม่มีสัญลักษณ์อะไรให้ทราบเลยนอกจากขณะที่ย่ำผ่านพื้นน้ำแฉะแฉะครั้งเดียวช่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น หวังว่าคงไม่มีการต้องรอยคอไปนะชายยานเปรยขึ้นอย่างเสียวๆมองไปรอบด้านไม่หรอกครับเราจะยืดสันเกาะนี่ซึ่งจะนําเรียไปทางชายบึงด้านตะวันออกใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงเดียวก็ผ่านพ้นหลังจากนั้นก็ข้ามลำห้วยแคบๆตัดขึ้นฝั่งตรงข้ามเข้าเขตเขานางตามที่ชี้ให้ดูเมื่อตอนเช้านี้ตอนที่ข้ามห้วยเราจะเลือกข้ามในบริเวณที่แคบและน้ําตื้นที่สุดอย่างมากก็คงไม่เกินแค่เอว ไอ้เคมีไหมตรงห้วยที่ว่านี่น่ะดาลินถามอย่างใจไม่ดีนักพลานใหญ่หัวเราะอยู่ในลำคอชุมยิ่งกว่าจิ้งจบตามบ้านแต่ไม่มีความหมายหรอกครับตับใดก็ตามที่ระดับน้ำลึกไม่เกินเอวของเราและมีปืนคบมืออย่างนี้เมื่อถึงที่นั่นเราจะหาลือกันอีกครั้งว่าจะหาทางข้ามโดยวิธีใด